นันทสการท่านหลวงพ่อมหานเด็กแล้วก็ขอโอก า, าสคณะสงฆ์แล้วก็เจริญพรญาติธรรมผู้ผ่านปฏิบัติธรรมทุกท่านสําหรับบรรดมาก็เป็นเป็นผู้ปฏิบัติจะว่าจะว่าเก่าก็ก็เก่าจะว่าใหม่ก็ใหม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ว, วิวิธีการหลงพ่อเทียนเนเดิมทีนี่รู้จักมางแต่เป็นเด็กน่เคยพอหลังจากจบชั้นปฐมบีที่หกก็ไปบวช นะเป็นบวชเป็นสมมนนนนาเสรรมเณนะร ก, ก, รช ก, ก็ช่วงนั้นกระแสของกรรมฐานนี่จะสาหลวงปู่มั่นแคกันดังพอบวชมาก็ไปอ่านหนังสือพวกโลกทิพย์พวกอะไรก็ก็ทำสมาธิเพราะว่าอุปชาเนี่ยทำทหน่อมาก่อนแล้วก็คือช่วงนั้นก็ก็นั่งสมาธิด้วยความที่ว่าไม่รู้เป็นอะไระเพราะว่า อาจารย์ที่วัดท่านก็ไปไปฝึกันเนี้เป็นฝึกแบบหลวงพ่อเทียนมาท่านบอกว่าท่านเราให้ฟังว่ามีพระที่ที่ขอนแก่นที่วัดโมงน่ยนะอ่ายกมือแล้วก็เป็นคนที่เทศดีมากนะเทศดีมากเทศได้เข้าใจแล้วก็อีกอย่างก็คือสามารถที่จะรู้ใจคนอินแล้วถ้าอ่รถ พ, พ, พอได้ยินงนั้นก็ก็ชอบ เขาชอบก็บไปไม่รู้ว่าเขายกมือทาไมหรอกใบแรกๆนะไปก็ตอนประมาณอายุสิบสามปีไปช่วงประมาณเดือนธันวาคมของช่วงนั้นปีสองหกก็ไปไปก็ไปก็มีคนมาสอนให้ยกมือยกก็ทําความรู้สึกนี่แหละแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นเด็กก็ทําเหมือนกับสองคนที่มาอยู่นี่แหละทำงานกันก็ทํา แต่ว่าเอาจริงเราจ้งมากนะเพราะว่าเราเราก็อยู่ในเพศบันเทิตก็คือบวดนั่งกันเอาจริงเราจ้งมากทำปวดหัวเวลเดินไปปวดหัวสมัยนั้ น, น, นการแก้อารมณ์ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะทำเน้นๆอยู่ประมาณสักรู้สึกจะสองปีกว่าๆทำอยู่ในสายงานเนี้ย เขาว่าองค์ไหนดีก็ไปหาหมดแต่งพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียงก็ไปไปหมดแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรคือคําว่าไม่ได้อะไรนี่หมายถึงว่าการพัฒนาเรื่องของการทํำวิปัสสนามันไม่ก้าวหน้าเพราะเรามันเพ่งมันจ้องอย่างเดียวช่วงนั้น่ะทําอยู่เกือบสามปีแล้วก็ก็เลิกไปก็มาเรียนหนังสือนะก็กลับมาเรียนหนังสือก็เรียนนักธรรมเรียนสายสามัญก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทํา พอมาพอสึกออกมาก็มาเรียนต่อก็มารับราชการก็ทิ้งไปแต่ว่ามันได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเกิดความเครียดคือด้วยความที่เราทำมานานะ่ะไม่มีอะไรทำลราก็กรหมือรนะู้เล่นๆไปนะทำทำเล่นๆแล้วก็ทิ้งไปทาเล่นแล้วก็ทิ้งไปก็รับราชการไว้ช่วงหนึ่งก็มีครอบครัวพอหน้าที่การงานเราสูงขึ้นสูงขึ้นน่ยมัน มันรู้สึกว่าออะไรนเราก็มีหมดแล้วบ้านอะไรก็มีมีครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าจิตใจมันมันทุกข์อ่ะมันทุกข์ทุกข์มากมเลยช่วงช่วงหนึ่งทุกข์มากมากแบบไม่รู้จะทํำยังไงนะแล้วก็ก็หันกลับมากลับมาทําแบบนี้อีกเพราะว่าหลังจากที่ออกมาแล้วก็ก็ไม่ได้ฝึกหรอกแต่ว่าก็มาฟังซีดีหลวงพ่อบ้างหลว ง, งพ่อมาหาเนี่ยฟังแล้วก็ โยมที่บ้านเขาก็ชอบฟังแล้วก็ซื้อมาฟังเมื่อปีสี่เก้าในเริ่มเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาครทีนี้พอมีปัญหามันมีอยู่ช่วงหนึ่งก็กลับมาเจริญสติทําเล่นๆ น, นะเวลามีความทุกข์เขก็เข้าไปในวัดวัดล้างบ้างเข้าที่ไหนเงียบๆเพาเข้าไปยกมือทีนี้ปรากฏว่ามันมีอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะโกรธโกรธเพื่อนร่วม ง, งานโกรธมากเพราะว่าช่วงนั้นจะอสอบขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วเขามาขวางการ ใส่ความเร า, รราเราก็โกรธโกรธมากเราก็เราก็ไม่ได้สอบดังนั้นอ่ะก็เลยไปอยู่วัดเหมันยกมือไปยกทำเล่นเล่นคือเครียดไม่หาทางออกอะไรไม่เจอก็ปรากฏว่ามันมีอาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามีอะไรมากระแทกตรงตร ง, ตรงความรู้สึกของเราอ่ะมันมันรู้เลยคือมันสัมผัสได้ว่าเอ๊ะไอ้ไ อ, อ้ที่เราทุบๆเนะี่ยมันมันไม่ใช่กับคนรอบข้างเราเลยนะมัน คือเราไม่ได้คิดนะแต่ว่าแต่ว่ามันสัมผัสได้จากการทําำจากการเจริญสตินะพราะหลังจากมันมันโล่งมันโล่งอกเลยหลังหลังจกที่อาการนั้นมากระแทกตรงตรงควรู้สึกที่เราเราเคยกวดเคยแค้นกับกับกับเพื่อนร่วม ง, งานมันก็แปกไว้อีกอานนี้สงสัยการเจริญสตีนหรือว่าเป็นพ่อบุญอะไรของเราเนาะทําไมเรามันโล่งเป็นป่วงอย่างนี้กลับไปสํานักงานนะะตอนเที่ยงเป็นนอนอยู่วัดทำ พอกลับไปสํานักงานปุ๊บเห็นเพื่อนที่ที่เคยโกรธกันเฉยๆมีการเฉยๆแต่ว่าโกรธก็ไม่โกรธแล้วก็รู้สึกเมตตาเขาตอนนั้นมันมันเป็นอาการชั่วคราวนะก็กลับมาก็เลยเออมาเข้าวัดใหม่ก็ไปอยู่ที่วัดถ้ำแสงเทียนช่วงนั้นก็ไปปฏิบัติเก็บอารมณ์ก็คือเราเคยมีพื้นฐานเรื่องเก็บอารมณ์อยู่แล้วสมัยก่อนก็เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้ ก็ได้ได้ความร่มเย็นทำทําต่อเนื่องนะก็คือปรับตัวเองทุกอย่างเคยเคยกินช้าวเยอะๆอะไรก็ปรับปรับลงมาอาหารอะไรเคยอร่อยก็ไม่ทานทานอาหารในน้อยนะกินข้าวในน้อยแล้วก็ไปอยู่บนบนบนเขามันจะมีเขาเนินเขาที่เป็นกุฏิล้างเขาทุบไม่หมดฉะนั้นที่สวรรค์ทำแสงเทียนก็ไปก็ไปอยู่ห้าวันปรากฏว่ามันเย็นมันเดินโยงกลมเนี่ย ตอนแรกเราก็เพ่งหรอกเพ่งเดินไปเดินมานี่มันมันเหมือนกับมันเห็นเหมือนกับอาการที่เราเคลื่อนเครื่องกายก็เห็นความคิดที่เกิดมาก็เห็นแม้ว่าบางครั้งทําใหม่ๆเนี่ยไอ้เรื่องที่เราเคยคิดเคยปรุงแต่งบ่อยๆมันจะกลับมาหลายๆครั้งเราก็เฝ้าดูมันเฝ้าไปเฝ้ามามันก็หายไปหายไปหายไปทีนี้มีอยู่วันที่สามที่สี่นี้ง่วงก็ไม่ง่วงแล้วความคิดเหมือนกับมัน พอคิดกันมาเหมือนกับเป็นแสงแับอะมันห ม, หมดไปเลยหมดไปเลยหมดไปเลยแล้วก็เข้าใจว่าเราคงมันรู้ทําแล้วล่ะเ <c oughs> ย็นไปหมดเลยนะพอากลับมาบ้านก็ครบห้าวันา ก, าา ก, าากา็กลับมาบ้านกลับมาบ้านทีนี้ช่วงนั้นตอนนั้นโอนไปอยู่เทศบาลก็เห็นว่านายกเทศมนตรีเขาจะเอามวลชนมาขับไร่นะก็อันนี้เล่าเรื่องงานแซกนิดนึงทีนี้แต้เราพอได้ยินข่าวแต่ก่อนนี้จะโมโหมากจะโกรธมากนะมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่บางเงินพอได้ยินแล้วเราก็เฉยอุ้แล้วก็เข้าใจว่าโอ้ทำไมมันเย็นมันสบายขนาดนี้แต่พอมาทำงานสี่ห้าวันอาการโกรธอะไรก็กลับมาเมือนเดิมต่อเลยเออเราลางานไม่ได้ก็อยู่ก็ฝึกทำที่บ้านทำเล่นๆอะไรไปมันก็มันก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะไปช่วงที่สองนี้กลับไปทำเสียงเทียนอีกก็โชคดีช่วงนั้นหลวงพ่อกลับมาจากอเมริกาพ อ, พอดีพอดีคือไม่ได้นัดหมายอะไรเราก็ ก็เราจะไปปฏิบัติธรรมไปแล้วหลวงพ่อ ก, ก็กลับมาก็มีโอกาสได้คุยกับท่านเออหลวงพวว่อผมไปปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยรู้สึกว่าผมผมมันไม่ค่อยพัฒนานะผมมีอาการแบบแบบที่เราให้โยมฟังอนะ่ะแต่ว่าทำไมผมกลับมาอีกทําไมมันไม่ทําไมมันไม่ขาดไปเลยอาการที่เย็นเย็นสบายๆนะหลวงพ่อว่ามันเป็นสมะถะหลวงพวว่อมันเป็นสมะถะมันกฎอาการว้ามันเป็นสมะถะเฉยๆนะก็เลยเ ทำไงจะได้เก็บหลวงพ่อก็บอกว่ า, วามีโอกาสให้มาเก็บอารมณ์มาไงก็เลยก็เลยหาโอกาสที่จะบวชนะก็พอดีก็ก็โอนกลับไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะโอนโอนจากเทศบาล้วก็กลับไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ก็ขอลา บ, บวชได้ก็ก็มาปฏิบัติแต่ช่วงช่วงที่เปลี่ยนแปลงเนยะรู้สึกว่าหลังจากที่ออกของปีปีสี่เก้าห้าศูนย์มาถึงมาถึงปีหนะ้าสามเนี่ยมัน มันเราก็ทําตลอดนะคือเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยก็คือทําตลอดแต่ว่ามันมันก็ดีอยู่เพราะว่ามันจะมีอาการบางอาการที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับเราไปจที่คนเยื่อเยนเรากําหนดรู้ไปงานสอบงานอะไรเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นสภาพจิตมันก็ว่าความรู้สึกของเราอะนะเห็นคนนี่นั่งอยู่ทุกคนเนี่ยบางที้เขาเดินน่ยมันไหลนะมันไหลมันมันเป็นอะไรไป็รู้นะบอกคือบอกไม่ถูกมันจะไม่เป็นชื่อเป็นอะไรมันมันไหลมัน มันไหลเราก็นิ่งเราก็สบายเห็นคนเดินก็เป็นเป็นเป็นรูปไหลลงจากเมนอย่างไรนะมันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะทีนี้ก็รู้สึกว่าเออแต่ว่ามันที่ว่าที่ว่ามันช่วงที่มาทําเนี่ยที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งก็คือโรคประจำตัวมันมันไม่ค่อยกำเริบก็คือเป็นโรคกงดันเนี่ยรู้สึกมันจะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆก็แปลกคืออาจจะเกี่ยวกับการปรับการทานอาหารก็ได้นะ ข้นน้ำหนักมันเกินเกืบอบแปดสิบกิโลก็ลงมาเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบสามเจ็สิบสองเ็ดสาทีนี้ก็ํารันแต่ก่อนหมอจะฉ่ายยาให้คดีขึ้นทีนี้อาการที่มันหลุดออกไปโดยไม่รู้ตัวก็คือแต่ก่อนนี่ทานเหล้าน ะ, ะสูบบุหรีน่นี่อยู่ๆไม่ไม่นึกเลยนะว่ามันมั น, ม, นมันจะหลุดไปที่แต่ก่อนพยายามจะเลิกฮนะติดเหล้าติดบุหรีน่นี่ติดมากเพราะว่า เป็นคนที่เป็นคนที่เครียดทําอะไรทํามาจริงกระจังแล้วเวลาเครียดก็ก็จะเข้าหาพวกนี้แหละเพราะว่าพอหลังจากเราปฏิบัติแรกๆที่สมัยเป็นเด็กมันไม่ได้ผลเราก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าขนาดหลวงพ่เรียนรับรองเรายังไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยคือคือคือคิดอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราช่วงนั้นเราทําไม่ถูกวิธีคือขาดประสบการณ์แล้วก็ด้วยความที่ว่าไร้เดียงสาต้องไม่ใส่ใจก็คือขาดความเยียบคลายอะไรก็คงประมาณนั้นทีนี้พอมาบวชมาบวชก็ บวชกับหลวงพ่อคำเขียนที่ที่วัดป่าสุขโตก็ปฏิบัติอยู่นั้นยี่สบวันพอปฏิมาลางานวันแรกเข้าวัดเอาละเราจะเอาให้ที่สุดเลยนะเดินมันทั้งวันเดินอยู่นั่นแหละนะง่วงก็สู้กั น, ส, กนสู้กับพวกม่วงปรากฏว่าพอวันที่ห้านี่สมองตื้อเลยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะว่าจะเอาจริงๆว่าออสามเดือนให้อาสะวะมันหลุดไปเลยคิดว่อยงนะั้นพอ ครบห้าวันไปไม่เป็นเลยเข้าทางอย่างผมไม่ไหลปวดหวัวแม่นั้นนะก็พอดีเขาปรึกษาอุูบาอาจารย์ช่วงนั้นพอบวดก็หลวงพ่อกำเสียนก็ไม่ค่อยอยู่ก็พระเทระท่านไม่ค่อยอยู่ท่านออกรับงานต่าง ก, กท่านอาจารย์สมใจก็บอกว่าก็ไปหาอาจารย์สมใจนะที่ท่านเป็นเคยเป็นลูกเสียงพัดเทียนรุ่นก่อนๆท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เป็นเหมือนผมเลยเนี่ยผมก็เคยเป็นเป็นอาการนี้เลยผมมันเพ่งนะมันเพ่ง ผมวผมไม่ได้เพ่งนะผมก็ดูธรรมดาเนี่ยแหละผมก็ดูธรรมดาผมไม่ได้เพ่งเออไม่ไม่ไม่เพ่งก็ไม่เพ่งท่านก็ชวนชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณคุยไ ป, ค, ยไปคุยไปก็ปรากฏว่าอาการนั้นคลายคุยกันประมาณสักสามสิบนาทีอาการที่มึนอ่าท่านก็ชวยนยกมือบ้างชวนขยับชวนอะไรเป็นบอกว่านี่แหละเราเวลาปฏิบัติเนี่ยให้หาความพอดีอ่ยาอย่าอยากเกินท่านวกนี้ก็กลับมาทำนะกลับมาทําก็ ก็มันก็ชัดอะเวลาเดินยงกลมอะไรก็ ก, ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็แฉล็บไปหายอาการเดิมอยู่เรื่อยเลยอาการปวดศีสันอาการมึนเน่ยเพราะว่าคือตั้งใจว่ายังไงเราก็ลาราชการมาแล้วเวลาราชการเราต้องทําให้ให้ถึงที่สุดนะก็คือนอนน้อยนอนห้าทุ่มตื่นตีสองอะไรประมาณนี้นะแต่ก็แต่ก็ ก, ก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนอา่าพอช่วงเดือนธันวานะครับ ท่าน่าหลวงพ่อมาหาก็ทำค่ายทุดงก็เลยมามาเข้าค่ายก็ไปเดินทุดงกับกับท่านเนี่ยสิบห้าวันก็มันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามันอยู่เหนือการเวลานะแหละเดินสิบห้าวันนี้เนี่ยส้นเท้าที่มา ย, ยังแตกเป็นรอยเนี่ยเพิ่งหายนะ ย, ยังยังเป็นเจ็ดอยู่เต็มเลยเท้าแตกขาบวมแล้วก็เดินกาหนดรู้ไปเรื่อยๆมันแป๊บเดียวแป๊บเดีย ว, ยวอ่ะสิบห้าวันนี่ ไปถึงจากสุรินน่าจากสุรินเดินจากอำเภอโพสิงไปอำเภอบุญละลิกนี่แปบ๊บเดียวแล้วก็คนอื่นเขาบาดเจ็บเขาอะไรนี่เราก็ไม่ค่อยเป็นเป็นแต่ช่วงแรกๆสภาพร่างกายมันยังไม่เข้าที่พอเดินแล้วมันได้อารมณ์นําเดินเดินกําหนดรู้คือจิตไม่ได้คิดอะไรคิดอยู่แต่กับการเดินแล้วก็ความหน่วงของน้ําหนักของบาดของกดที่เราพายไปมันก็มีความรู้สึกตลอดก็ผ่านนิวรณ์คิดว่าช่วงนั้น ไม่ง่วงเลยนะแล้วก็มาปรับพฤติกรรมเพราะว่ามันเดินเหนื่อยสองทุ่มครึ่งสามทุ่มก็นอนแล้วเราที่จัดที่เดิมที่เราเคยนอนเด็กๆก็เปลี่ยนปรับมานอนสามทุ่มแล้วก็ตื่นตื่นทีสี่ทีสามทีสี่ ก, ก็ก็เริ่มปรับตัวเองได้ทีนี้การปฏิบัติของของอาจจะมาเนี่ยพอเดินนี่มันมันหลุดมันลอยมันสบายนะเพราะว่าเราเราคิดว่าเราโอ้มันคงหมดทุกข์แล้วล่ะนะคิดเอาเอง คิดเรเงแต่สภาว่ามันยังไม่ถึงนะพอไปเข้าค่ายอีกสิบห้าวันอยู่อำเภอบุญริศเอาลาทีนี้นะปรากฏว่านั้นก็เอาไปอยู่มันก็มีอาการอาการที่ความคิดมันเข้ามาคือมันจะไหลออกมาอันไหนที่เราเราเคยผ่านมันก็จะผ่านนะแต่ว่าไหนที่เราชอบมากๆหรือว่าเกลียดมากๆ ม, มันจะมาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยเราก็พยายามที่จะกําจัดไอ ไอ้ความคิดตรงนั้นปรากฏว่ามันไม่ออกนะแก้ไม่ได้เลยมันแวบมาเราก็จะจัดการกับมันแวบมาจัดการกับมันมันมันเห็นอยู่ว่าตายเคลื่อนไหวไปเนี่ยความคิดเกิดขึ้นก็เห็นอยู่แต่ว่ามันคือมันไม่หลุดไอ้เราก็เครียดตรงนี้อีกทีนึ็ไปต่อหางให้มันอีกคือไปเครียดต่อว่าทําไมเรานี่ว่าเราหลุดแล้วทําไมทําไมการปฏิบัติทำสองเดือนจะสองเดือนแล้วทําไมมันไม่ก้าวหน้าก็มาคิดเป็นทุกข์อีกอะก็เดินอยู่ นี่กับท่านเี็บพักอยู่ข้างๆกันนะต้องเดินเดินแต่เช้าเช้าเย็นก็เดินเดินชงกลมอยู่ในปา่านี่ก็มันก็ตึงนะนะมันตึงมันมึนมันมึนเพราะว่าก็เป็นสมัยเป็นคารว่าเนี่ยคิดว่าเถ้าเราไปทําต่อเนื่องนี่มันคงจะเหมือนกับพระท่านว่ามันเป็นลูกโซ่อะไรประมาณนี้ยแต่ว่าด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยความที่เราทําทําขยันเกินทําแบบ เครียดอคือความอยากมันเกินแต่เราไม่รู้ทันเราคิดว่าเราเรามีความเพียรสูงแล้วแต่ จ, จริงไม่ใช่เราเราหาความพอดีไม่ไม่เจอก็ก็ไปคือทำเองจนหมดทางสู้แล้วก็เลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อมาหาบอกเฮ้ยคุณไปเดินอย่างนั้นได้งไงเดินขึ้ น, นบันไดนะ่ะ ม, มีมีบันไดที่ไหนที่เขาที่เขาไม่มีขั้นบางคุณต้องเดินจิกแซกทีถ้ามันมีปัญหาก็ออกมาทํางานบ้างทาอะไรบ้างไม่ใช่ไปเดินสู้อย่างนั้นงั้นไม่ไหวอ่ะ ถ้าต้องบอกเขก็แก้อารมณ์ให้นะก็ดีขึ้นจนปัจจุบันนี้ก็กสบายสบายทําสบายสบา ย, บายนั่ง ก, ก็นั่งได้นานแล้วก็เหมือนกับว่าคือบางทีความคิดเรื่องอารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราเราก็รู้ทันนะคือปกติเนี่ยเป็นคนที่หวงของหวงอะไรมีอะไรต้องรักษาเงี้ยมีลูกมีหลานเขามาบวชเรามาบวชมีรถเขาก็เอาไปใช้อะไรแล้วเราก็ตามมันทันคือเราไม่เกลียดแต่ก่อนนี่ไม่ได้นะว่าไปทาไมรถเรา ซื้อมาตั้งแพงเนี่ยเราเราจะเป็นคนที่โมโหมากจะจะจะนั่นคือเวลาเดิยังคงมันจะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยกับเรื่องที่เรารักเราหวงอะไรมานี้แต่พอพอเราพออตมาพอมาอยู่ออกอย่างนี้ก็มาอยู่มาปฏิบัติการหลวงพ่อที่วัดดอยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็มันมันก็พัฒนาก็คือคําว่าพัฒนาขึ้นก็เหมือนกับว่าจากที่เราเคยเป็นแล้วมันมันไม่ค่อยทุกข์เหมือนเดิมคื อ, ค, อคือการเปลี่ยนแปลง ก็เชื่อว่าจากประสบการณ์เนี่ยวิธีนียเป็นวิธีที่ที่ทาได้ง่ายนะก็คือปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะทําในรูปแบบประมาณสองชั่วโมงก็คืออาจจะบางวันก็สี่ชั่วโมงก็คือตอนเย็นสองชั่วโมงกันเช้าสองชั่วโมงแล้วก็ไปทํางานก็ขับรถระยะทางห้าสิบสี่กิโลนี่ก็ก็กำหนดรู้แต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ที่มันง่วงมากง่วงก็ไม่รู้เป็นไรขับรถไปนี่จะจะไม่ถึงที่ทา ง, งานอลไรมันง่วงจอดรถนอนก็ก็คงจะลงพ่อเป็นคนตอบนั่นแหละเพราะว่าแต่ว่าอยู่มาก็เราก็ปั่มมันก็ดีขึ้นดีขึ้นคือเป็นชีวิตคารวะพอตอนนี้พอถึงวันนี้แตมารหรือเปล่าถ้าเราออ ก, กไปพบกาหนดลาศึกเนี่ยก็คงจะไม่คิดแล้วแหาว่าไปทําให้มันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อะไรนะก็คงคิดว่าจะจะอยู่กับการกับงานกับกับที่เราฝึกฝึกตรงนี้แล้วแล้วก็จะนําไปใช้ ก็ก็ขอให้กำลังใจว่าทุกคนอยู่ที่นี่ก็เป็นคนทำงา น, เ ป, นเป็นคนทำงานแล้วคือของทุกอย่างมันมันมีอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วอาการความรู้สึกมันมีอยู่แล้วเราขอให้เราใส่ใจลงไปแค่ น, นั้นเองใส่สติลงไปนะจะขับรถจะทำงานจะอะไระหรือเรื่องการทุกคีอาหารการกินที่เราเคยชอบเคยนั่นก็ยังต้องมาติดกาแฟสดไปที่ทำงานติด เห็นไม่ได้เลยดอยช้างบางอเมซอนนีต้องมันชอบบางทีไม่หิวก็จะจอดกินมันเป็นกิเลสอะไรไม่รู้ว่าหลังมานี่ไม่เอาเลยขับรถผ่านฝืนขับรถผ่านฝืนฝืนเนี้ก็โอเคก็อยู่ได้อยู่ได้ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เสพแล้วสำหรับ่อมาก็ให้กำลังใจทุกคนเราบางทีเราไม่จำเป็นต้องมามาบวชแต่ก่อนนี้กรดนะใครบอกว่าติดรูปแบบไปบวช ทำเป็นกับการทำ ง, งานก็ได้นี่ไม่ชอบเลยใครพูดอย่างเงี้ยนะเราพอมาบวชแล้วไอ้ที่เราคิดว่ามันจะจะพัฒนามันก็มันมันมันอยู่ที่การปฏิบัติที่เราใส่ใจเรื่องการปฏิบัติมากกว่านะก็อยู่ที่การวางใจนะการวางใจกันใช้ชีวิตมีครอบครัว ก, ก็อยู่กับครอบครัวนั่นแหละนะก็ ก, ก็ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องโกรครอบครัวแตกเล่วไม่ ไม่ไม่ไว้เราเป็นแบบนั้นนะวิธีปฏิบัติหลวงพ่อเทียนง่ายก็มันย้อนได้ย้อนถึงว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็เป็นฆราวาสท่านเปปฏิบัติท่านก็เป็นฆราวาสท่านไม่ได้บวชเป็นพระท่านก็มีครอบครัวมีแล้วท่านก็บรรลุธรรมถ้าเราทําเหมือนท่านที่เทวนแรกที่ท่านพูดที่ท่านเปิดงานนะบางคนที่มาทันทีนะอทําถ้าทําเหมือนท่านก็ก็โอเคก็น่าจะถึงไม่ได้ขนาดท่านก็น่าจะความทุกข์มันจะลดลงอ่ะสําหรับต่อมาก็ ก็คงมีประสบการณ์คืออาการจ้องเนะี่ยบางทีเราเรายกมือคือความรู้สึกตัวมันมีอยู่ทั่วกระพริบตาก็ได้ใช่ไหมคือเราทําอะไรยึดบทชเดียวนานๆเนนะี่ยทําไปทําไปแล้วบางทีมันเบลอใช่ไหมเราก็อยากให้รู้ให้มันชัดเราก็ใส่ใจเข้าไปใส่ใจเข้าไปมันมันมันก็จะกลายเป็นจ้องที่จริงความรู้สึกตัวเนะี่ยเวลาเรายกมือเนะี่ยเราอาจจะยกมือบ้างอ่า มองซ้ายมองขวาบ้างกระพริบตาบ้างเปลี่ยนเปี่คือเปลี่ยนควารู้สึกไปทั่วได้ถ้าเราอย่างอย่างเราเดินเนี่ยเดินตอนแรกมันมันจะรู้สึกตัวดีใช่ไหมมันจะชัดพอเดินนานไปนานไ ป, นนไปมันจะเริ่มมันจะเริ่มไม่ชัดเบื่อพอเบื่แล้วก็อ่าทําไมเบอือก็จ้องลงไปที่นี้่จ้องลงไปอันนั้นคือเพ่งเพ่งจ้องแต่หลวงพ่อแก้ให้ที่ ท, ที่ว่าที่ว่ามันพัฒนาขึ้นนี่คือความแยกขายคือได้ตรงนี้แต่ก่อนเราไม่เคยแยกขายเลยคือสร้างย่างว่าเนี่ยนั่งได้ทั้งวัน แต่พอเวลาเราจะเปลี่ยนอริยบทนี่เราไม่ค่อยตามอย่างถึงว่ามันปวดดูเวทนาเนี่ยเราไม่ค่อยตามดูเวทนากันก็คือปวดก็ลุกธรรมดาบางทีเราว่าเราดูบางทีมันก็ไม่ได้ดูอ่ะอย่างเช่นเราจะอ ย, าอยัางนั่งอยู่เนี่ยอย่างปวดเนี่ยปวดแล้วก็เช่นที่จะดูว่าเออมันปวดขนาดไหนแล้วก็ค่อยๆ ข, ขยับดูให้มันละเอียดลึกๆก็กมันได้ดูวันนั้นก็คุยกับหลวงพ่อที่อยู่บุญริศที่ไปทุดงว่า หลวงพ่อไอเพ่งกับเ ย, ยบคลายนี่มันต่างกันยังไงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าตอนนี้นั่งเป็นยังไงอนั่งเป็นยังไงสบายไหมผมไม่สบายหลวงพ่อเอาเปลี่ยนท่าผมก็เปลี่ยนเลยลูกเปลี่ยนเลยรู้ไหมว่าตอนเปลี่ยนอาการเป็นยังไงไม่รู้เลยท่านบอกว่าเออแ ย, ยบคลายครับกับเพ่งจ้ามันต่างกันอย่างนี้แล้วก็ทํามามันก็มันก็ดีขึ้นนะอาการปวดศีรษะอาการปวดเพลงแล้วนะทำสบายสบายทําได้ทั้งวันนะะความว่างมาแล้วก็ถ้าความว่างเขาไปสู้ตรงตรงก็ไม่ไม่ไหว คือแต่ก่อนนี่ง่วงนะเพราะว่าบางทีนักปฏิบัติเนี่ยเรามักจะหลอกตัวเองบางทีง่วงเขาบอกตัวเองม่ง่วงนะมันเหมือนมันรู้สึกอยู่แต่วยาจริงๆริงเราเป็นง่วงคือตอนนี้แต่มาพอมันมีอาการปุบอย่างเราพ่อบอกเนี่ยจะต้องรีบจัดการกับมันอะย่เย้มเข้ามาลึกถ้ามันกดคอเราไม่ไหลมันล็อกคอเราได้นี่งงหวาไม่รู้หรอกวันทั้งวันอ่ามันจะออกไปแป๊บเดียวมันก็มาใหม่ออกไปแป๊บเดียวมันก็มาใหม่ฉะนั้นการปฏิบัติแบบนี้ก็คือทําสบายๆทําสบายๆก็คือ หาความพอดีให้ตัวเองให้เจอแล้วมันจะสนุกกระพริบตาบ้างอย่างเดินยังกรมเนี่ยเรามือไข้หลังก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ขายอย่างเงียวขยับมือบ้างก็ได้ในประมาณนี้มันมันจค่นั้นแต่ว่าถามว่าเราเดินอารียบทเดียวมันก็อย่างว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดว่าของของเล่นน่ะที่เด็กมันเล่นจิตก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างถ้าเล่นของของเดียวมันเบื่อใช่ไถ้ามีของหลายอย่างมันก็เล่นไปหลายอย่างเล่นเล่นหูบ้างรูปหน้าบ้างอ่า เลนน้ำลายบ้างมันก็เล่นสองอย่างหลายอย่างมันก็เพลินก็บางครั้งก็มีนะสาหรับจะมาเปเองก็มีมันก็ว่าบางทีเราอย่างจำัยนี่เข้าห้องประชุมสมัยก่อนเนี่เข้าไม่ได้พราะเราไปกําหนดรูปปุ๊บเนี่ยมันจะง่วงง่วงเลยเพราะเข้าห้องประชุมปุ๊บเราไปขยับมือบีดนิ้วอยู่เนี้ย น, นานๆหลับเลยหลับไม่รู้ตัวเลยเขาบอกโอ้ยเจำวัาหลับได้หลับดีแท้จริงไหมเขาบอกนะเพืญญ่อนหลับได้หลับดีแท้อ่ญญานั่งแป๊บเดียวก็หลับ ก็ไม่รู Darwin, nei, te ้อ่ะมันหลับเองบางทีจิตเนี่ยมันไม่ต้องการควบคุมนะมันสบายสบายยังไงก็ได้แต่ว่าเราอย่าทิ้งตัวนี้มันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเองเราอย่าไปจ้องอย่าไปจับอย่าไปกั้นอะไรมันสําหรับจะมานี่ปัญหาเรื่องการจ้องจิตนี่โอ้สุดยอดเลยมีปัญหามาเลื้ยลังมานานมากก็มาก็ดีขึ้นช่วงที่มาบวชแล้วก็ช่วงมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเขแก้เป็นเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นให้ก็คงจะเป็น คือการบวชนี่เป็นบวชกรณีศึกษานะคิดว่าเรามาวิจัยชีวิตมากกว่าไม่ได้คงไม่ได้ว่าได้บุญได้กุศลอะไรมากมายหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการปฏิบัติมันรู้สึกว่ามันความรู้สึกอารมณ์ของเรามันมันทันมันทันก็คือทันขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะสิ้นทุกหรอกทุกก็มีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะจัดการความทุกข์ได้อยู่ในระดับนึง่งก็คือการดึงความรู้สึกหน่ยมันคือบางทีเราดึงมาแล้ว มันต้องกลับมาอยู่แต่ว่าเราอยากเข้ามาแจมมันมีความอยากเข้ามาแจมอยากให้ยังง้นอยากให้อย่างงี้ถ้าเรารู้เฉยเฉที่จริงความคิดเราไปจัดการอะไรไม่ได้มันนะไม่ได้มันมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเราแค่เป็นผู้ดูแค่นั้นเองไม่ไม่ใช่ว่าจะไปจัดการให้มันหยุดกึ้งคือมาสร้างเหตุให้มันแค่นั้นเองคือคือคือมาสร้างเหตุให้ให้มันมีมากขึ้นคือสติมันคมขึ้นน่ะทํารู้สึกไปเรื่อยอ่าเพราะว่าความคิดมันมามันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันก็มามันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปมีใคร คนเป็นโรคประสาทหรือคนอะไรท่านนั้นคนถือสติไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างเราเนี่ยมันมาถ้าเราทําความรู้สึกธรรมดาเบาๆเราไม่ต้องไปเพ่งไปอะไรมันก็จะหายไปบางทีไม่รู้สึกก็ได้อย่างนั้นค่ะอ๋อถ้าอย่างนี้จริงๆเราก็รู้ตัวอยู่บ้างแหละแต่ว่าจิตมันออกมันมันออกเราก็จะ่ไปเครียดแต่มันเราก็ก็เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ก็ได้ก็เป็นถ้าถ้าเกิดว่าเรายกมือมันดูเหมอนไม่น่เราก็เปลี่ยนเป็นเป็นความรู้สึกที่ใหม่อาจจะ ตบเท้าตบอะไรเล่นๆไปแต่แต่อย่าไปเทียบกับมันนะสําหรับธรรมะนะอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์คือหลวงพ่อท่านจะเกลี่ยให้ยังไงก็ก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสําหรับธรรม า, ถ, าถ้ามันถ้ามันออกในเรงบทยกมือไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมาตบขาตบอะไรเล่นๆไปแล้วก็คืออย่าไปใส่ใจกับอารมณ์นี่มันเกิดแค่นั้นก็จะผ่านก็คงประมาณนี้แตาไม่มีหลวงพ่อจะได้ตอไม่ไม่ไมทีอ๋อเห็นเป็นคนแต่ว่าเราไม่ได้ไปยึดว่า มันเป็นคนนั้นคนนี้อ่ะมันมันมันเหมือนมีกับมันเหมือนมีกับวัตถุมันเคลื่อนเคลื่อนไปมันมันอาจจะเป็นอารมณ์หนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าเวลาออกจากนั้นนั้นมันก็เป็นธรรมดาปกติเราเราก็ไม่ได้ไปดีใจเสียใจอะไรกับมันคือแต่ก่อนช่วงที่เพ่งมากๆเนี่ยมันจะมีนะบรรดาเดินยงกมเหมมือนีงูมาลัดเลยนะสมัยก่อนนะะต้องสลัดออกกับตกใจสลัดออกมันเป็นอย่างนั้นบางทีจิตเราไปจ้องใบเพ่งไปเหมือนเป็นทำสมถะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ เป็นประสบการณ์ที่ที่ที่ที่เคยทำมาทำมาคนเหล่ า, านี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนรมัสการ์เขาลงวะ